หคันทะโพจัชะกะหนึ่งคันทะทุ ก, กะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นคันทะเป็นฉไนคันทะสคือ 1. อภิชากายคันทะ 2. พยาปาทกายคันะทะสศีศรพลตปรามาสกายคันทะสีอิทังสั จ, จาพินิเวสกายคันทะ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 ธรรมชาติที่คร่าไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังสัตว์ให้เกิดพร้อมธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีข่ธรรมชาติที่กำทราบใจธรรมชาติที่สร้างใจธรรมชาติที่เหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติที่เป็นเพื่อนสอง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 ความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานักกามตัญหาภวะตัญหาวิภวตัญ ห, า ร, ญห า, ารูปตัญหาอรูปตัญหานิโรธตัญหาหมายถึง ค, คือราคะที่สาราคตด้วยอุเฉ ท, ท, ทิฐิรูปตัญหาสัทธตัญหาคันทตัญหา รถตัณหาโพธะพะตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนนิกบรเครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกิเลสอนุสัยปริยุท ธ, ธานตัณหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนเกิดแห่งทุก์บ่วงแห่งมารเบ็ แห่งมานวิจัยแห่งมานตันหาเหมือนแม่น้ำตันหาเหมือนไข่ตันหาเหมือนเชือกตันหาเหมือนสมุทรอภิชาอากุตรโมูลคือโลภะนี้เรียกว่าอภิชากายคันทะหนึ่งพัหนึ่งรยสบองพาปาทกายคันทะเป็นฉันความมาฆาาเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เรา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 นี้เรียกว่าพยาปาทกายคันทะ1143งพัสีลับพตะปรามาสกายคันทะเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรด้วยศีลและพรดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดปาชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิ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 มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะหนึ่งหนึ่งสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะเป็นชไหนะเว้นคันทะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤริที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจร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 เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะ1147ั11 47, สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นฉไหนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัตตะทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของคันธะ สคั 3, นทะสัมปยุตตทุกกะหนึ่ 1, สภาวธรรมที่สัมปยุต <Valent> ด <chocolate S 2> <remembrance may cida> ้วยคันทะเป็นไนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยคันทะหนึ่สภาวธรรมที่วิปทยุตจากคันทะเป็นไนสภาวธรรมที่วิทยุตจากคันทะเหล่านั้นได้แก่ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากขันธะ 4. คขันธ์ขันธ์นิยทุกะหั่สภาวธรรมที่เป็นขันธ์และเป็นอารมณ์ของขันธ์เป็นฉะไหนขันธ์เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นขันธ์และเป็นอารมณ์ของขันธ์ 1151สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นฉไนเวน้นคันทะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขัน วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะห้าันธะคันธะสัมปยุตตทุกกะ1152สภาวธรรมที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเป็นฉไนสีลพตปรามาสกายคันธะเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะเพราะอภิชากายคันธะอภิชากายคันธะเป็นคันธะ และสัมปยุทธ์ด้วยคันทะเพราะศีรพัตปรามาสกายคันทะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะเพราะอภิชากายคันทะอภิชากายคันทะเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะเพราะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันทะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะ 1นึ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะเป็นชไหนสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่เป็นคันทะเหล่านั้นเว้นคันทะเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะ 6. กคันทะวิปยุตะ คันธะนยทุกกะ1นึ่สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะเป็นไฉหนสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจร ได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะ 1,155 สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นฉนะัยมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตัดทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่าวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะคันทะโคจชะกะจบ 6. โอคะโคจชะกะ 1. โอคะทุ ก, กะ 1,156 สภาวธรรมที่เป็นโอขะเป็นฉไนะโอขะโคจชะกะจบ 7. โยคะโคจชะกะ 1. โยคะทุ ก, กะ 1,157 สภาวธรรมที่เป็นโยคะเป็นไฉไหนยโยคะโคจตชกะจบ 8. นิวรณะโคจตชกะ 1. นึิวรณะทุกกะ1นึ่สภาวธรรมที่เป็นนิวรนเป็นไฉหนนิวรนหคือ 1. กามฉันทานิวรน 2. พยาปาทานิวรนสถีนมิทธานิวรน 4. ีอุทธจักกุกุจจนิวรน ห้าวิจิกิจฉานิวรณ์หก อ, อวิชานิวรณ์หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบก้าบรรดานิวรณหกเหล่านั้นกามฉันทนิวร์เป็นชะไหนความพอใจในกามความกำหนัดในกามความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกามความหลงไหลในกามความหมกมุ่นในกาม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 ความเคืองความขุ่นเคืองความที่จิตพล่านไปโทษสะความคิดประทุตร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุตร้ายใจความกโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้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 ทีนมิทธานิวรเป็นฉไนทีนมิทธานิวร น, นั้นแยกเป็นทีนะอย่างหนึ่งเป็นมิทธะอย่างหนึ่งหนึ่บรรดาสองอย่างนั้นทีนะเป็นฉไนความหดหู่ความไม่ควรแก่การงานความท้อแท้ความ ท, อท้มทอถอยแห่งใจความย่อย่อนกริยาที่ย่อย่อนภาวะที่ย่อย่อนความถดถอย กริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะหนึ่งพันหนึ่ง้อสามิทธะเป็นฉไหนความไม่สะดวกกายความไม่ควรแก่การงานความหงอยเหงาความซบเซาแห่งกายความหาวนอนความง่วงซึมความหลับความงกง่วงความอยากหลับกริยาที่อยากหลับภาวะที่อยากหลับ นี้เรียกว่ามิทธะถีนและมิทธะดังว่านี้รวมเรียกว่าทีนมิทธนิวรณ์ห น, อ น, นนะึอุทธจักุกุจจนิวรเป็นไฉหนอุทธจักุกุจจานั้นแยกเป็นอุทธะ จ, จะอย่างหนึ่งเป็นกุกุจจอย่างหนึ่งหนึ่บรรดาสองอย่างนั้นอุทธจักเป็นไฉหนะความฟุ้งร่านแห่งจิต ความไม่สงบแห่งจิตความสัดสายแห่งจิตภาวะที่จิตพล่านไปนี้เรียกว่าอุทธัจจหนึ่งัหนึ่งร้กบกุกกุจจะเป็นไนะความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรในสิ่งที่ควรมีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษความรำคาญกิริยาที่ราคาญ ภาวะที่ราคาญความเดือดร้อนใจความยุ่งใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ากุกกุจจะอุทธจจะและกุกกุจจะดังว่านี้รวมเรียกว่าอุทธจจกุกกุจจนิวรณหนึ่งหนึ่งิจวิจิกกิจฉานิวรเป็นฉไนะปุตชลย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขา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 ความไม่สามารถจะยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดจ่ายไปความคิดพราไปความไม่สามารถยังลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉานิวร์6 8ัรออวิชานิวร์เป็นไนะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขตสมุทยัย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 ความไม่แทงตลอดความไม่ยึดถือโดยถูกต้องความไม่สามารถยังลงถึงหรือถือเป็นข้อยุติได้ความไม่พินิษ์ความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัดความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริจุทธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอากุตตรมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอวิชชานิวร์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวร์หนพันหนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไนะ เว้นนิวรณ์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤรที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์เด็กแก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นนิวร์สอนิวรณียะทุกกะ 1น7 0สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไหนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรอันได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หพันหนึ่ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะ1นึ่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นฉไนสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ได้แก่ เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หพันหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์เป็นฉไนสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธ์จากนิวรณ์ส นิวรณะนิวรณียทุกกะหนึ่ัดสิบสภาวธรรมที่เป็นนิวรและเป็นอารมณ์ของนิวรเป็นฉนะัยนิวรเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นนิวรและเป็นอารมณ์ของนิวร1นึ่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรเป็นชนะ เว้นนิวรเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาจวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านีน้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรห นิวรณะนิวรณ์สัมปยุตตทุกกะ1176สภาวธรรมที่เป <acuerdo> <Young> uh, ็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวรเป็นไนกามฉันทนิวร์เป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวร์เพราะอวิชชานิวรอวิชชานิวร์เป็นนิวรและสัมปยุตด้วยนิวร์เพราะกามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรนเป็นนิวอนและสัมปยุตด้วยนิวอนเพราะอวิชานิวรอวิชานิวรนเป็นนิวอนและสัมปยุตด้วยนิวอนเพราะพยาปาทนิวรนถีนมิธธนิวรนเป็นนิวอนและสัมปยุตด้วยนิวอนเพราะอวิชานิวรนอวิชานิวรนเป็นนิวอนและสัมปยุตด้วยนิวอนเพราะถีนมิทธนิวรนอุทธจัจนิวรนเป็นนิวอน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 อวิชานิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะวิจิกิจฉานิวรกามฉันทนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอุทธจัจนิวรอุทธจัจนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะกามฉันทนิวรพยาปาทนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอุทธจัจนิวร อุทธจันิวรนเป็นนิวรนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเพราะพยาปาทนิวรนถีนมิททนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเพราะอุทธจันิวรอุทธจันิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเพราะถีนมิทธนิวรกุกกุจจนิวรเป็นนิวรและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรเพราะอุทธจันิวรอุทธจันิวรเป็นนิวรนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเพราะกุกกุจจ นิวรณิจิกิจฉานิวรณเป็นนิวรและสัมพยุตด้วยนิวรณเพราะอุทธจัจนิวรอุทธจัจนิวรณเป็นนิวรและสัมพยุตด้วยนิวรณเพราะวิจิกิจฉานิวรอวิชานิวรณเป็นนิวรและสัมพยุตด้วยนิวรณเพราะอุทธจัจนิวรอุทธจัจนิวรเป็นนิวรและสัมพยุตด้วยนิวรณเพราะอวิชานิวรสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวร์และ สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์พันหนึ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นฉไนสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เหล่านั้นเว้นสภาวธรรมเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์หนิวรณวิปยุตตะนิวรณียทุกกะ หนึ่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นฉไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขัน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณแต่เป็นอารมณ์ของนิวรนพนสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณเป็นฉไหนมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ นิวรณโคจชะกะจบก้าวปรามาสโคจชะกะหนึ่งปรามาสทุกกะหนึ่งรสภาวธรรมที่เป็นปรามาเป็นไนะคือทิฏฐิปรามา่งพอสิ 1, 1. ทิฏฐิปรามาเป็นไนะความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุด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 มิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐิปรามาสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปรามา่รสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นฉไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาตเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกริตที่เหลือ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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตหนึ่งหนึ่งร้ปสสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นฉไนมัก ผลของมรที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสสปรามาสสัมปยุตตทุกกะ1นึ่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นฉไหนะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นได้แก่เวทนาขัน วิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยปรามาหรสสภาวธรรมที่วิปยุทธจากปรามาเป็นฉไนสภาวธรรมที่วิปยุทธจากสภาวธรรมที่เป็นปรามาเหล่านั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปั จ, จัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุทธจากปรามา 4. ปรามาสปรมามัถทุกกะ1187สภาวธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นไนะปรามานั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหนึ่ร้สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสเป็นไนะ เว้นสภาวธรรมที่เป็นปรามาสเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสห้า ปรามาสวิปยุตตาปรามัฏฐทุกกัดหนึ่งหนึ่งร้สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นฉไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาตเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและ อรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาต์แต่เป็นอารมณ์ของปรามาต์หนึ่งพัสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์เป็นฉไรมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตปรามาสโคจัชกะจบ 10. มหันตระทุกกะหนึ่งสารามณฑทุกกะ 1,191. ส, สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นไนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขัน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้หนึ่สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นไนะรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้สองจิตตทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นไนะจักขวิญ ญ, ญาณโสตวิญ ญ, ญาณ คานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาและมโนวิญญาณธาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิตหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นฉนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิตสเจตสิกะทุกกะ 1195. สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเจตสิก1น9 6สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นไนะจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเจตสิก สจิตตสัมปยุตตทุกกะ1น9 7สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยจิตหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นไฉนรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากจิต จิตไม่พึงกล่าวว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิต 5. จิตจสังสัทุกัันหก้าสิบสภาวธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิต 1,200 สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตเป็นไนะรูปทั้งหมด และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตจิตไม่พึงกล่าวว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิต 6. จิตตสมุทฐานทุกกะ1 2 0่สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันกายวิญญัตและเวจีวิญยัต หรือรูปแม้อื่นใดที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐานได้แก่รูปายตนะศัทธายตนะคันธายตนะรัายตนะโพตพายตนะอากาศธาตุอาโปธาตุลหุตาธาตุมุทุตารูปกัมมัญตารูปอุปัจจยารูปสันตติรูปและกัลิงการาหาร สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุดฐาน1202สสภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุดฐานเป็นไฉนะจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุดฐานเจจิตตสหภูมทุกกะหนึ่ันสองรสสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนะ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญญัตและวจีวิญยัติสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิต1204สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นฉไหนจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกขะ1205 สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นไนะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญยัติและวจีวิญญัติสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต1206สภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเป็นไนะจิตรูปที่เหลือและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิต9 จิตตสังสัทธสมุทฐานทุกะ 1,207 สภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน 1,208 สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉไนจิต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 สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิต1210สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นฉนจิตรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตสิอ จิตตสังสัทธสมุทฐานานุปริวัติทุกก์หนึ่ันสองรสสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต1212 12.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 มนายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายใน1 2ึ4สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นฉไนรูปายัตนะธรรมายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอก 13. อุปาทาทุกกะ1215สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นฉไนจักขายัตนะ กบาลิงการาหารันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูป1216สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นฉนยัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมหาภูต ร, รูปสี่และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูป 14. อุปาทินนทุกกะ 1นึ่สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิยึดถือเป็นฉนะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันและรูปอันกรรมปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ1218สภาวธรรมที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่เวทนาขันวิญญาณขัน สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมรูปอนกรรมไม่ปรุงแต่งมรรคผลของมรรคที่เป็นโลกุตระและาธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตระทุกกะจบ